ผ้าที่ใช้ปกปิดอวัยวะใต้รากขวัญลงมาถึงสะดือคำว่าเข้าหมู่บ้านคือสำหรับหมู่บ้านที่มีรั้วล้อมเดินเลยเขตรั้วล้อมต้องอบัตปลาจิตตีสำหรับหมู่บ้านที่ไม่มีรั้วล้อมก้าวพ้นอุปจารไปต้องอบัตปาจิตตี